บทที่42อีกงานจองเลิกมาถึงศาลาโสดสดพร้อมกับเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นกลุ่มหนึ่งการจากไปของเพื่อนรักที่คบหาสนิทชิดเชื้อยังความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดานอกจากนั้นยังเกิดความงุนงงไม่เข้าใจเรื่องราวแจ่มแจ้งแทงตลอดเนื่องจากข่าวที่ออกมาค่อนข้างคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าพฤหัสไปโยงใยกับคดีนี้อย่างไร ทุกคนอาจรู้สึกดีหน่อยก็ตรงที่เหยื่อสาวออกมาให้การปกป้องและรับรองว่าพฤหัสเสสละชีวิตปกป้องหลอนในนาทีสุดท้ายในฐานะเพื่อนที่รู้ใส้รู้พุิกันดีจองเลิกอดพิษวงไม่ได้ว่าคนอย่างพฤหัสนี่หรือจะไปสละชีพเพื่อคนอื่นแต่เขาก็เก็บความกังขาไว้แม้เพื่อนชายอีกหลายคนจะวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายความเชื่อไปเรื่อย เขาไม่ได้เข้าไปร่วมให้ความเห็นแบบเอามันเข้าว่าแต่อย่างใดเพราะจะดีเลวแค่ไหนเพื่อหัสก็จัดเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งถ้าปกป้องไม่ได้เขาก็ไม่อยากมีส่วนซ้ำเติมเข้าไปอีกเสียงมือถือดังขึ้นเป็นเพลงคนนี้แฟนฉันเองซึ่งเหมือนผู้แต่งจะตั้งชื่อไว้เอาใจคนอยากประกาศให้ชาวโลกรับรู้ว่าใครโทรมาโดยเฉพาะตอนอยู่ใกล้กันนชเลเคยลองโทรศัพท์เข้าเครื่องเขาเพื่อลองฟังว่า เบอร์ตนถูกผูกไว้กับเพลงหรือเสียงแบบไหนพอคำร้องคนนี้แฟนฉันเองดังลั่นขึ้นมาหล่อนก็หน้าแดงรีบสั่งให้เอาออกทันทีซึ่งเขาก็เอาออกตามบัญชาแต่พอรับหลังก็เอาใส่ใหม่ฮัลโหลเลิกรู้ข่าวเพื่อนเธอหรือยังกำลังนั่งอยู่ในงานศพเขาตอบเสียงอ่อยแล้วรู้ไหมว่าผู้หญิงในข่าวคือใครเด็กหนุ่มขมวดคิ้วย่น ไม่รู้ใครเหรอน้าเค้กไงฮ่าเขารีบลุกจากที่เดินออกมานอกสาราเดี๋ยวนั้นแน่ใจเหรอซายอยู่ที่ห้องน้าเคก้กกำลังรอน้าเค้กอาบน้ำเมื่อกี้เพิ่งสัมภาษณ์สดยาวเยียดอยากฟังรายละเอียดเพื่อความแน่ใจไหมจองเรกิกอึ้งเงียบไปนานจับต้นชนปลายไม่ถูกกว่าจะหลุดคำถามออกมาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อนซีของเกิกไม่ใช่เหรอเิกน่าจะเป็นคนบอกซายนะว่าทาไม แล้วหล่อนก็ตัดบทเข้าเรื่องไม่แน่ใจว่าฝนจะมางานศพหรือเปล่าแต่เดี๋ยวหน้าเค้กไปแน่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเลิกอย่าพูดพาดพิงถึงฝนแล้วกันไม่อยากให้หน้าเค้กเสียใจซ้าซ้อนเด็กหนุ่มงงงเวียนเวียนอยู่ครู่หนึ่งก่อนเสนอจะให้เรากลับก่อนไหมหน้าเค้กจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าแล้วก็ไม่ต้องโยงมาถึงต่อยกับฝนไม่มีเหตุผลขนาดต้องให้เธอทิ้งงานศพเพื่อนไปหรอกแล้วถ้าฝนมาล่ะ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 แล้วหน้าเคก้กมารู้จักกับต่อยได้ยังไงเมื่อไร่ก็ระยะหนึ่งก่อนที่เธอจะพาเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวบ้านทรายจองเร่อหัวรอเสียงแปรงเออแล้วหน้าเคก้กเล่าว่าไงต่อยไปเกี่ยวกับคดีนี้อีท่าไหน <S <S เขาจับหน้าเคก้กจะเอาไปขายน่ะสิหาเสียงอุทานเรากับค้องใหญ่ของแฟนหนุ่มทำให้เด็กสาวหมัน่นไสายอย่างบอกไม่ถูก เหมือนเขาเห็นเป็นเรื่องเหลือเชื่อเต็มประดาทั้งที่รูปการก็ส่อชัดอยู่แล้วตกใจอะไรมากมายค่าสุดหลอถามสำเนียงอ้อนแบบประชดแล้วเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นนี่ท่านะเ ค, ค้กไม่ทำให้ตานั่นกลับตัวกลับใจได้ซะก่อนก็เดาทางถูกเลยว่ารายต่อไปจะเป็นใครจองเริกทราบดีว่าเสียงเข้มเข้มนั้นประสงค์จะจูงให้เขานึกถึงละองฝน แต่มึนงงไม่ทราบจะโต้อตอบท่าไหนคล้ายถูกทุบด้วยค้อนปอนสองทีซ้อนจนต้องนั่งยองๆไม่คิดเลยว่าต่อยจะเป็นคนแบบนี้น้เลคันอกคันใจอยากเอาเรื่องแฟนหนุ่มให้เขารู้สึกผิดหนักขึ้นแต่ภาคแห่งความมีเหตุผลก็ยับยั้งไว้เพราะทราบดีว่าจองเลิกไม่เคยล่วงรู้พฤติกรรมด้านมืดของพรหัสมาก่อนจึงไม่อาจกล่าวว่าเขาพลอยเปื่อนมนทินเพียงเพราะเป็นเพื่อนกัน เดี๋ยวเจอกันนะเด็กสาวฝืนตัดบททายจะไปกับหน้าเค้กด้วยความจริงไม่อยากไปนักหรอกแต่กลัวเริกทำเสียเรื่องพยายามพูดให้น้อยๆหน่อยปล่อยให้ทายพูดเองคงดีที่สุดทายเราเออนี่แปลว่าเราคงต้องบอกว่าขอโทษทายอีกแล้วสินะช่างเถอะผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ก็น่าบิดหูใช่ไหมล่ะ นัชเลหัวเราะออกมาได้ที่แฟนหนุ่มดักคอผู้แทนใจหลอนถูกเท่านี้ก่อนนะวัดอยู่ใกล้ใกๆสักครึ่งชั่วโมงคงถึงโรงศพของพฤรหัสเหมือนเตือนเอาเวลาให้ระลึกถึงคุณงามความดีครั้งสุดท้ายของเขาที่สำนึกผิดและยอมชดใช้ด้วยชีวิตหญิงสาวจึงร้องไห้ออกมาอีกอย่างลืมอายซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ วันนี้ผิดไปตรงที่มีน้เลประคองปลอบอยู่เคียงข้างไม่ต้องร้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายดังเคยบรรยากาศรอบๆก็มีสาวน้อยอีกหลายรายที่ตาแดงบ้างร้องไห้กระซิกบ้างประปรายไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่ละคนระลึกถึงคุณงามความดีข้อไหนของพฤหัสน้ำทเลเห็นบรรดาสาวงามร้องห่มร้องไห้เช่นนั้นก็พึงนึกได้ว่าตนหลวมตัวมาเป็นส่วนประกอบในจังหวะที่อาจพลอยโดนเข้าใจผิดเพราะ เมื่อเดินเข้าศาลามาหลอนกับน้าก็กลายเป็นจุดเด่นรวมสายตาเกือบทุกคู่ให้ประสานเพ่งมองด้วยแววชนิดหนึ่งทํานองว่ามาอีกรายแล้วสองสาวผู้สวามิภักมหิทธิสเสนแห่งหนุ่มรูปงามพูดจากไปก่อนไวอันควรจนหล่อนต้องกระวีกระว่าแสดงท่ารูปหน้ารูปหลังปลอบหน้าสาวเป็นการใหญ่เพื่อให้ใครต่อใครเข้าใจฐานะของหลอนเสียให้ถูก เมื่อครู่สังเกตตอนไหว้พ่อแม่พู้ฤหัสทั้งสองท่านไม่มีท่าทีเอะใจแม้แต่น้อยว่าผู้หญิงคนสุดท้ายในชีวิตจอมเจ้าชู้ของผู้ฤหัสมายืนอยู่ต่อหน้านั่นทำให้นัชเลรอบถอนใจหากพู้ฤหัสกอบกรรมชั่วช้าได้สำเร็จราบรื่นงานศพนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วทั้งพ่อและแม่เขาก็คงไม่มีวันล่วงรู้เลยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกส่งไปลงนรกทั้งเป็นด้วยน้ามือลูกชายตน คนมากันเต็มและพระจะเริ่มสวดพอดีแม้มีการนำเก้าอี้มาเสริมก็แทบไม่พอเพราะเพื่อนฝูงของเพื่อหัดแหกมากันมากเห็นชุดนักเรียนสลอนน้ทะเลกำลั ง, งงงว่าจะหาที่อย่างไรสายตาก็ปะแฟนหนุ่มซึ่งกำลังกวักมือเรียกยอยๆโชคดีเขากันที่ให้หลอนกับนาไว้แล้วฝืนฝ่ากระแสะจดจ้องสนใจเป็นตาเดียวของใครต่อใครกระทั่งเดินไปถึงจองเลิกซึ่งนั่งอยู่แถวท้ายสุด หลายคนทำหน้าแปลกใจที่ดาวเด่นสองดวงใหม่ไปลงเอยตรงที่นั่งของหนุ่มผู้สมควรบูชาแห้วเป็นสารณะเหลือเชื่อว่าหมอนั่นกวักมือเรียกสาวสวยได้ด้วยพอนั่งลงกับที่เอาเวลาก็ปิดหน้าร้องไห้ต่อไม่มีแก่ใจสงสัยว่าเหตุใดจองเลิกจึงมาปรากฏตัวอยู่ในศาลานึกได้ง่ายว่านัชเลคงโทรชวนแฟนมานั่งเป็นเพื่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องนั่งอยู่กันตามลาพังผู้หญิงสองคนเท่านั้น กระทั่งได้เวลากินข้าวต้มเอเวราซึ่งพยายามฝึกที่จะไม่เศร้าโศกยืดเยื้อก็ยื่นหน้ามาทักทายเพื่อนหนุ่มของหลานอย่างมีมัตรีเลยต้องรบกวนเริกด้วยขอบใจนะที่มานั่งจองที่ให้โดนใบสั่งจากซ้ายเหรอเด็กหนุ่มอึกอักการที่นชเลสั่งห้ามไม่ให้พูดมากกลายเป็นตัวสร้างความเกรงเขาเหลือบตาไปทางแฟนสาวอยากจะให้ตอบเองพิรุษนั้นเลยจูงสายตาเอาเวราให้เหลือบลงสังเกตอักษรย่อ ของชื่อโรงเรียนบนอกเสื้อเออุท hey. านสั้นๆแล้วเงยหน้ามองจองเริศเงียบไปนัชเลเห็นเช่นนั้นจึงจำต้องหันซ้ายไปบอกเริศเขาเป็นเพื่อนกับเออนายคนที่นอนอยู่ในโรงนะคะเอาเวลาสะดุ้งนิดๆแต่ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาแสดงความประหม่ามากนักยังพึมพำได้ด้วยซุ้มเสียงเกือบเป็นปกติบังเอิญจริงนชเลเม้มปากค่ะ เมืออโลกมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนถามไปถามมารู้จักกันหมดแล้วซายเคยเจอต่อยบ้างไหมก็อไลอยอาทิต์ก่อนดูเหมือนบังเอิญพบในห้างนะคะตอนนั้นเดินไปกับเลิกแล้วเขาเจอกันพวกเขาก็ทักถ่ายตามประษาหล่อนจำต้องเล่าความจริงบางส่วนโดยนึกไม่ถึงเลยว่านั่นจะกลายเป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่ทำให้อเวราปฏติดประต่อเรื่องราวบางอย่างได้สนิทห้างเซ็นทรัล ช่วงก่อนเที่ยงใช่ไหมคำถามเจาะลึกนั้นเล่นเอานท ะ, ะเลอ้ำอึ้งงุนงงไปชั่วครู่อย่างเดาไม่ถูกว่าหน้าสาวทราบได้อย่างไรและกำลังคิดอะไรรู้แต่ว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วไซน์ก็จำไม่ถนัดว่าเวลาอะไรแต่ก็น่าจะราวๆนั้นมั้งคะทำไมเหรอคน้าเคก้กเอาเวลาขบริมฝีปากอย่างจะหักห้ามความรู้สึกบางประการก่อนยกมือขวาขึ้น จิกกลุ่มผมเหนือหน้าผากตนคล้ายตั้งท่าจะขยำถึงด้วยความบีบคั้นทางอารมณ์เจ็บแน่นหน้าอกรากับคนเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงใช่แล้วก่อนที่เพื่อหัดจะพบกับนชเลคงเป็นช่วงนั้นเองที่หล่อนเพิ่งโทรบอกเขาว่ากำลังจะจอดรถถามไายว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อหัดยังละรื่นพูดคุยหยอกล้ออ ก, ออกเอาใจหล่อนด้วยความลุ่มหลง แต่ถัดจากนั้นเพียง5้านาทีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาพบใครบางคนที่ทําให้ตาลอยตกอยู่ในพวังเมอร์และหมดความใหญดีในหล่อนได้อย่างท้าวร น, นึกไม่ถึงเลยว่าซายที่เขาเคยละเมอหากลางดึกคือหลานสาวสุดที่รักนี่เองกลางงานศพของอดีตแฟนหนุ่มหล่อนกําลังนั่งเขียงข้างผู้หญิงที่ทําให้เขามีใจออกห่างและเห็นหล่อนเป็นแค่ขยะทางการมรรมที่น่าเขี่ยทิ้งด้วยวิธีแลกเงินน้าเค้ก เป็นอะไรคะนัชเลใช้มือแตะต้นแขนหน้าสาวด้วยความเป็นห่วงแต่ต้องงงงานเมื่อฝ่ายนั้นเบี่ยงกายหนีด้วยกริยาที่เห็นได้ชัดว่าบันดาลขึ้นจากโทสะเอาเวลาใช้หางตามมองคนสวยหวานข้างตัวด้วยแววของปฏิปักษ์เป็นครั้งแรกแม้ตระหนักว่าตนกําลังริษยาและเคียดแค้นก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องหักห้ามใจแต่อย่างใดน่าก็เป็นได้อย่างมากแค่เดินให้เขาเขี่ยทิ้ง เหมือนทุกครั้งที่ผู้ชายเจอคนอื่นนั่นหละทายอย่างน้อยสติหล่อนก็ยังดีพอจะไม่ขึ้นเสียงแหวกรียวกราดซายไม่ได้พบกับต่อยแค่ครั้งเดียวใช่ไหมน้ำเสียงเย็นชาที่มีกลิ่นไหมแห่งไฟโทสะทำเอานัทะเลสะบัดร้อนสะบัดหนาวคิดว่าน้าสาวต้องเข้าใจอะไรผิดอยู่แน่ๆหางตาขมิงแกลของฝ่ายนั้นเรากลับเป็นน้ำแหลมที่พุ่งมาทิ่มตาให้เสียวแปบและผ่าไปทั้งร่าง รับรู้ว่าน้าสาวกาลังเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงไม่รู้เท่านั้นว่ามันเรื่องอะไรเกี่ยวกับหล่อนแค่ไหนนะาเค้กเรากลับบ้านกันเลยดีไหมคะนั่งคุยในรถจะได้ถนัดถนัดด้วยท่าทีปั้นปึงเอาเวลาลุกขึ้นก่อนสองหนุ่มสาววัยรุ่นจึงลุกตามต่างเข้าไปล่ำลาพ่อแม่ของชายผู้ทิ้งซากไร้วิญญาณไว้ในโรงไม้และพร้อมกันมาขึ้นรถซึ่งจอดไม่ห่างจากศาลามากนะัก เอาเวลาไม่สตาร์ทเครื่องแต่สายตามองตรงถามนัชเลเี้อเรียบว่าซรายเคยพบต่อยกี่ครั้งสองสาครั้งค่ะเขาเป็นคู่เล่นแบดกับเลิก ม, มีอยู่วันหนึ่งเลิกเกิดอยากเล่นแบดคู่ก็เลยชวนทายกับฝนมาเข้าทีมกันพยานนั่งอยู่ที่เบาะหลังนัชเลจึงตอบเต็มปากเต็มคําเล่นแบดด้วยกันเหรอแล้วเจอกันยังไงที่ไหนอีก คราวนี้เด็กสาวเริ่มไม่พอใจเพราะการซักไซ่ไล่เลียงนั้นมีลักษณะสอบเข้นเอาความผิดค่อนข้างชัดนชเลพยายามข่มความขัดเคืองแต่ไม่วายย่นคิ้วพูดด้วยเสียงเข้มขึ้นนาเคกสงสัยอะไรช่วยขยายให้ไายเข้าใจหน่อยได้ไหมถ้าไายมีความผิดก็จะยอมรับแต่ถ้านาเคกเข้าใจผิดไายจะได้แก้เสียให้ตรงกับที่ถูกเอาเวลาเริ่มรู้สึกตัวความที่ยอมรับนับถือกันมาก่อนทําให้เสียงอ่อนลง ซายไม่มีความผิดนะาแค่อยากรู้ว่าทายสนิทกับเขาแค่ไหนเท่านั้นนะัชะเลถอนใจเบาๆพูดกันนับคำได้ค่ะและทุกครั้งเริกก็อยู่ด้วยเสมอแต่หล่อนสันนิษฐานว่าท่านี้น้าของตนคงระแคะระคายว่าพอหัสมีอะไรกับคนที่บ้านหล่อนแน่แล้วจึงตัดสินใจแย้มออกไปนี่นะเคครู้เรื่องที่เขามาจีบฝนใช่ไหม เอาเวลาปิดตาก้มหน้าเอาปลายนิ้วคีบสันจมูกพอความหึงหวงแบบผู้หญิงหาที่ลงไม่ได้ก็กลายเป็นความสงบราบคาบและเริ่มสังเวชตนเองคนเดียวก็จิบฝนไปถึงไหนแล้วล่ะฝนเคยพาเข้าบ้านครั้งหนึ่งวันนั้นหน้าเค้กก็มาพอดีด้วยมีหน้าล่ะเขาถึงรีบหนีออกไปโดยด่วนเว้นวักเล็กน้อยแล้วหล่อนก็ปล่อยหมดอย่างไม่เห็นความจาเป็นต้องเกรงใจ ไม่อยากพูดซ้ำเติมคนตายแต่ซายอยากบอกน้าเค้กตามตรงคะ่ะว่าเขาไม่มีค่าให้คนนึกเศร้าย้อนหลังเลยโล่งใจเถอว่านะ้าเค้กกับฝนรอดมาได้ก็ดีแล้วเอาเวลาฝืนยิ้มเศร้ายงยน้าขึ้นเหลียวมองนะ้ะเลเต็มตาเขาไม่ได้จีบฝนหรอกฝนไม่ใช่เป้าหมายของเขาก็นั่นน่ะสิคะแท้ที่จริงแกล้งมาหลอกจะเอาไปขายมากกว่าผู้เป็นาน้าสั่นสียะแช่มช้า เปล่าเขาจีบฝนเข้าบ้านเพื่อจะได้ไปเจอซายนะ่ะมือเท้าของนักทเลเย็นเฉียบเพราะนั่นไม่เคยเป็นความคิดในหัวมาก่อนแม้แต่แวบเดียวแว่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบแฝงแววรู้จริงของอเวราก็ดึงเอาความทรงจำเกี่ยวกับเพื่อหัดมาเป็นสายทั้งแววตารอยยิ้มและคำพูดที่ส่อให้เห็นความคลั่งค ล, ล, งล้ไหลหลงหลอนเข้าขั้นเป็นคข้รัก แต่หลอนก็แปลสัญญาณเหล่านั้นว่าเป็นเพียงกริยาเสแสร้งตามปกติวิสัยของเสือผู้หญิงคนหนึ่งหาได้เอาเก็บมาเป็นอารมณ์สักนิดน้อยไม่เงียบกริบเป็นนานกว่าจะปริปากได้น้าเค้กเอาอะไรมาพูดคะถ้าทางเขาจะลหลงไหลทรายเอามากขนาดเคยนอนละเมอหาทรายกลางดึกทีเดียวนะน้าไม่คิดเลยว่าจะเป็นทรายของน้านี่เอง จองเลิกเผลอลืมคําสั่งแฟนสาวที่ให้เขาพูดน้อยๆเสนอหน้าเอาตัวต่อมาประกบอีกชิ้นสงสัยอย่างที่น้าเค้กว่าและทรายความจริงเรารู้รู้อยู่นะว่าต่อยมันหลงทรายเอามากถามถึงทรายอยู่เรื่อยนับตั้งแต่วันแรกที่เจอกันในห้างนั่นแหละอุตสาโทรมาปั้นเรื่องเป็นเด็กเลี้ยงแกะกลางดึกเพื่อล่วงความลับแล้วก็หาเรื่องให้ได้รู้จักกับทรายน้เลตะลึงค้างหน้าแดงจัดอยู่ในความสลัวราง เขาก็เห็นทายเป็นแค่เหยื่อรายต่อไปไม่มัง้งถ้าถึงขั้นละเมอเรียกชื่อกลางดึกอย่างหน้าเคกบอกนี่ไม่ธรรมดาแล้วละ่ะงั้นเลิกก็ใช้ไม่ได้รู้จุดประสงค์ของเพื่อนเธออย่างนี้ทําไมถึงยังปล่อยให้เข้ามายุ่มย่ากกับพี่สาวทายอีกเฮือเราก็เคยบอกไงมันเห็นหน้าทายก็ถามเลยว่ามีพี่สาวหรือน้องสาวไหมแล้วตะล่อมหลอกล่อขอให้พามาเล่นแบดด้วย ตอนนั้นใครจะนึกว่ามันมีอะไรซ่อนแฝงซับซ้อนขนาดนี้แล้วก็หันไปสรุปปรอบเอเวราง่ายๆลืมมันเถอะครับนาะเคก้กไอ้เพื่อนสารเลวนี่ถ้าไม่ตายคงได้ก่อความว่อนวายให้ใครต่อใครอีกเยอะนะ้เลเกือบช่วยแฟนหนุ่มกระหน่ำซ้ำเป็นการแก้เขินที่เพิ่งรู้ตัวว่าถูกตะนั่นหลงรักแต่พอเห็นเอเวราก้มหน้าในอาการขมสะอื้นก็ทราบว่าน้าของตนยังไม่คลายอะไรดี จึงการฟันตั้งจิตให้เล็งตรงอยู่กับธรรมะเฉพาะหน้าเปลี่ยนเสียงติเตียนในหัวเป็นคำปลอบหน้าสาวได้สำเร็จคนตายยังไงก็กลับมาให้การไม่ได้พวกเราคงดีแต่สันนิษฐานการเรื่อยเปื่อยจากวิธีปฏิปตอแล้วอาจได้ข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมนักกับเขาหน้าเค้กมองอย่างนี้เธอคะ่ะการสละชีวิตของเขาเป็นของจริงสิ่งสุดท้ายที่เขาทาไปก็เพื่อหน้าเค้ก ค, คนเดียว ในขณะที่ความลุ่มหลงใครต่อใครทั่วไปยังมัวมนเหมือนวิมานในอากาศที่ไม่เคยสร้างเสร็จความฉลาดปรอบของน้เลกระตุกให้อเวราได้คิดและปรับความรับรู้ให้ตรงตามจริงมากกว่าเมื่อครู่อารมณ์แบบหญิงรัศยาหญิงเหือดแห้งลงหัวอกว่างโล่งขึ้นเป็นอีกครั้งที่ประจักษ์ว่าจิตคนเรากลับไปกลับมาอยู่แค่สองภาวะคือโง่กับฉลาดเมื่อได้ยึดมั่นในสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วเมื่อนั้น คือโง่เขลาลุ่มหลงไม่ยอมรับตามจริงแต่เมื่อใดปล่อยวางสิ่งที่แปรปรวนไปแล้วเสียได้เมื่อนั้นคือฉลาดรู้เท่าทันค่อยสมภูมิปัญญาแบบมนุษย์หน่อยหันมายิ้มกับหลานสาวพยายามพูดเพื่อคลายโศกให้ตนเองเราจะรู้จักความตายแต่ละทีก็ตอนที่คนคุ้นเคยสูญหายไปจากโลกนี้อย่างทาวร น, นี่เองนะคนไปก่อนเหมือนให้โอกาสคนข้างหลังได้ตรหนักว่า ความมีชีวิตคืออะไรมีที่สุดแค่ไหนจะได้ไม่มัวนึกแต่ว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆครอบครองอะไรไปเรื่อยๆค่ะนัชเลทอนใจอย่างโล่งอกที่ไม่ต้องมีเรื่องเสียแทงใจกันกับหน้าสาวเยินเยอะแม่เคยบอกซายทํานองว่าแต่ละงานศพเหมือนสัญญาณนาฬิกานับถอยหลังให้เรารู้ตัวทีละติก๊กยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไรสัญญาณก็ดังถีและเหมือนเคลื่อนมาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ จกคนไกลตัวตามหน้าหนังสือพิมพ์เลื่อนมาเป็นญาติสนิทมิสหายที่เห็นหน้าและพูดคุยด้วยกันทุกวันจนในที่สุดจองเลิกฟังสา ว, สาวพูดเรื่องตา ย, ตายแล้วชักตะครั้นตะครอเลยชวนเปลี่ยนเรื่องคุยแบบทะลุกลางป้องหน้าตาเฉยฟังว่าเจ้าต่อยทําวิรกรรมไว้บ้างก็ค่อยรู้สึกดีนะไม่ต้องเห็นท่าแท้ที่ระยตำตาบอลอย่างเดียวตอนแรกพอรู้จักทายว่ามันจับหน้าเค้กไปขายเราแทบอยาก ลากศพออกมาจากโลงมากระทืบซ้ำน้เลหัวเราะใจหนึ่งอยากเหน็บว่าเขาเองก็เถอะเลือกคบคนอย่างไรถึงคว้าโจรมาเป็นมิตรต่อไปหล่อนคงไม่ไว้ใจเพื่อนหน้าไหนของเขาอีกอย่างไรก็ตามอีกใจก็เอื้อเฟื้อพอจะพูดเพื่อประสานรอยร้าวไม่ให้จองเลิกต้องนึกโกรธเกลียดเพื่อนผู้วายชนของเขามากเกินไปนักอุ้ยทําไมดุเดือดจังค่าคุณขา ลากเส้นหวานยอกย้อนเป็นการนำร่องในว่าเริ่มธรรมธรมโมแล้วไงนี่อะไรกระทั่งศพก็จะลากมากระทืบนักเลงจริงๆท่าแท้ถาวรของแต่ละคนไม่มีหรอกมีแต่ว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งตอนเขาเปลี่ยนแปลงมาถึงไหนอย่างถ้าดูที่วาระสุดท้ายของเพื่อนเธอก็จะสรุปว่าท่าแท้ของเขาเป็นคนดีคนหนึ่งถึงหลงผิดบ้างก็กลับตัวกลับใจได้ทันก่อนสาย แฟนสาวพยายามพูดถึงคนตายในแง่ดีจองเลิศก็เข้าใจเจตนาและแก้ตัวใหม่หันมาพูดเอาใจเอาเวลาให้รู้สึกดีขึ้นวันแรกที่ต่อยเจอหน้เคก้กมันเอามาเล่าให้ผมฟังด้วยละ่ะได้ผลอย่างน้อยก็สะกิดให้เอาเวลาเงี่ยหูรอฟังสังเกตจากที่หล่อนผินหน้ามาทางเขาครึ่งหนึ่งอย่างอยากรู้ว่าคนสําคัญของหล่อนพูดถึงหล่อนเป็นครั้งแรกท่าไหนมันเล่าให้ฟัง เรื่องเจอกันด้วยอุบัติเหตุแล้วค่อยๆสาทะยายบอกว่ายิ่งคุยกับน้าเค้กก็ยิ่งชอบจองเริกเล่าเสียงนุ่มฟังแล้วผมเชื่อนะครับว่ามันรู้สึกดีที่พบน้าเคก้กได้คุยกับน้าเคก้กเอาเวลายิ้มซึมที่ถูกหล่อนควรปลื้มใจแต่คำบอกเล่าจากปากจองเริกกลับตอกย้าให้รู้สึกผิดขึ้นมาอีกหากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรๆ ไ, ได้ไหม หลอนอาชนเขาพูดคุยทำความรู้จักกันมากกว่าเคยเพราะนับแล้วเวลาของการเสวนาพาทีช่างน้อยนักในเมื่อด่วนได้แต่การอันนาติดใจต่างฝ่ายต่างก็จดจอ่ออยู่กับการนัดพบเพื่อผูกสัมพันธ์ฝ่ายต่ำท่าเดียวแล้วบีบให้แต่และฝ่ายไม่มองกันและกันด้วยความหวังที่สูงไปกว่านั้นรู้จักกันวันเดียวก็ยอมนอนกับเขาลอนอาทาตัวเหมือนขยะที่น่าขายทิ้งจริง ขอบใจที่เล่าให้ฟังนะเจา้าเริกถ้าเลือกกำหนดชะตาได้เองน้าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องคลี่คลายมามีงานศพก่อนเวลาอันควรอย่างนี้เลยพูดจบก็สตาร์ทเครื่องและนารถครานเอวยออกจากวัดทท่งงานศพอีกงานไว้เบื้องหลังตลอดทางกลับบ้านนาชาเลพยายามชวนคุยเรื่องเป็นมงคลเพื่อให้น้าสาวลืมเรื่องอัปมงคลทั้งปวงเสีย และเอาเวลาก็แสดงให้เห็นว่าหล่อนมีธรรมะเป็นภูมิคุ้มกันทุกขอย่างเยี่ยมแล้วจริงๆปมเศร้าหลายทราบหลายซ้อนที่ประดังกันเข้ามาเรื่อยๆไม่อาจปิดขันให้เศร้าได้อีกต่อไปอย่างน้อยหล่อนก็ยังสามารถคุยในเรื่องที่เป็นมงคลได้ด้วยเสียงปกติแวะส่งจองเลิกที่บ้านชั้นเดียวของเขาเมื่อจอดหน้าประตูรัว้วเด็กหนุ่มก็ชนแฟนสาวว่าแวะบ้านเราก่อนไหมแวะทําไม ก็โอกาสเหมาะมีหน er ้าเค้กมาเป็นเพื่อนถือเป็นเริกงามจดป่านนี้ทายยังไม่เคยให้เกียรติมาเหยียบบ้านเราเลยไม่มีธุระนี่เอาไว้มีเหตุผลสมควรก่อนก็มีเหตุผลอยู่นะเราซื้อตุ๊กตาเสือเจ้าเล่ตัวโตๆไว้นั่งรอต้อนรับทายนานแล้วถ้าทางมันเหงาหน้าดูเลยละไม่มีโอกาสทาหน้าที่สักทีหวังว่าคงมีแต่เสือเจ้าเล่ไม่มีคนเจ้าเล่อยู่ในบ้านนะ นัชเลอมยิ้มตอบเกือบใจอ่อนแต่เกรงว่าลงแล้วต้องอยู่ยาวจึงขอผัดเวลาว่าจะชวนฝนมาเที่ยวสักทีก็แล้วกันแม่คงไม่ว่ามัง้งไม่ต้องเกรงใจนะนะนะลงไปเป็นเพื่อนได้ไม่เกรงใจนะเค้กก็ต้องเกรงใจแม่คะ่ะถ้าเข้าไปเดียวเดียวก็เหมือนไม่ได้เข้าอยู่แล้วเอาไว้วันหลังค่อยแวะมาเยี่ยมเยียนเป็นกิจลักษณะนานๆดีกว่า จองเริกยักไร่ไม่แสดงท่าผิดหวังมากนะักตามใจแล้วเจอกันสวัสดีครับน้เค้กค่ะเริกสวัสดีล่ำลาเรียบร้อยพออยู่กันตามลำพังสองคนนัาทะเลก็นึกอยากชวนคืนนี้น้าเค้กนอนที่ห้องซ้ายไหมคะพรุ่งนี้วันหยุดเผื่อจะได้ไปทำบุญด้วยกันแต่เช้าไม่รบกวนเหรอถ้าไม่ค้างนะคะจะรบกวนจิตใจมากเลยอยากสัมภาษณ์อะไรณเค้กเยอะแยะ งั้นก็โอเคไม่มีใครสังเกตว่าตั้งแต่ออกจากวัดมีรถฮอนด้า a จสคันหนึ่งแล่นตามมาด้วยอย่างกระชั้นชิดไฟคู่หน้าจับท้ายรถของอเวราประดุดแสงตาจงอางที่เลื้อยร่างแล่นเร็วตามเหยอื่อย่างมากมายเมื่ออยู่บนถนนก็รักษาระยะห่างไว้ค่อนข้างคงเส้นคงวาชนิดแทบต้องปาดหน้าปาดหลังรถอื่นหลายครั้งเพื่อให้ทันกันไม่ลาด และระหว่างที่อเวราจอดรถหน้าประตูรัว้วส่งจองเลิกลงนั้นรถคันดังกล่าวก็แกล้งเล่นเลยไปจอดซุ่มไม่ไกลนักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่รู้ว่าความเลือดเย็นในสายตาของคนขับน่ากลัวเพียงใดขณะอาศัยกระจกมองหลังเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวต่างๆของสองสาวผู้แสนโสพิษ